การเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทยอมสามารถเผาสังโยชน้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชนั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ในโลกหรือในวัตตะสงสารเหมือนเชื้อผูกสัตว์ไว้ไม่ให้ดินออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้สิรประการ และอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สกายาทิฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันห้า 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนไตรสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. สีลับพระตะปรามาตการรูปคำศีละวัดคือการรักษาศีลบาเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์ เช่นมุ่งสันเสริญมุ่งลาดสการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้งสามประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปฏิมักสามารถเผาสังโยชนนี้ได้สี่กามราคะความกำหนัดในกามห้าปฏิฆะความงุนหงิดความรำคาญสองประการนี้อนาคา ม, มิมักเผาได้ส่วนสกทาคา ม, มิมักนั้นละได้สามประการเหมือนโสดาปฏิมักเพิ่มแต่ ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน่าประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมพาคยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องตำ่ำหกรูปราคะความกําหนัดติดใจในรูปฌานเจ็ดอรูปราตะความกําหนัดติดใจในอรูปฌานแปดมานะความทนงตนเก้าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตสิบอวิชชา ความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงทั้งหประการนี้ท่านเรียกว่าอุด ธ, ธรรมภากิยสังโยช์แปลว่าสังโยช์เบื้องสูงอรหัตมรรมเผาได้ผู้สามารถเผาสังโย์ทั้งสิบประการนี้ได้เป็นพระขีณาสพผู้สินอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นมาเป็นแนวนึกเผากิเลสของตน เช่นเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียนพยายามเท่าไรก็มิอาจให้บรรลุมักผลใดใดไ ด, ได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกําลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่า ไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคยานก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของที่สุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดูดเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือยานทําให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นใดอีก พระศาสดาทรงเปล่งพระรสมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของพิสุขนั้นพลางตรัสว่าอั ป, ปมาดาระโตภิกุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องตนแล้ว